วันนี้ฝนฟ้าอากาศก็ไม่ปกติฝนทำท่าจะตกมากก็ยังร้องอยู่การฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะไม่ได้อัธรรถเท่าที่ควรแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาที่เขาต้อง มีการเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตามเหตุตามปัจจัยเรามาอาศัยเขาอยู่โลกนี้เป็นเหมือนบ้านของคนอื่นเราเป็นผู้ที่มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวเราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่หลงไปคิดว่าเป็นบ้านของเราถ้าเราไม่หลงไปคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดถ้าเราไม่ไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้หรือได้มานี้เป็นของเรา และจะอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาคือใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีคือเปลี่ยนไปด้วยการเจริญหรือเปลี่ยนไปด้วยการเสื่อม เช่นลาบยศสลรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะระยะบางเวลาก็เจริญบางเวลาก็เสื่อมบางเวลาก็หมดไปคือเวลาที่เราจากโลกนี้ไป ลาบยศเสรเสรสุขต่างๆที่เราได้มาสัมผัสได้มาเสกก็หมดสภาพไปแต่เราไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเวลาที่เรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไป นี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรา <c oughs> ไม่มีความเห็นแบบนี้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายทรับสมบัติเข้าของต่างๆที่เราไม่อยู่ หรือบุคคลต่างๆเป็นของเราอย่างแท้จริงจะอยู่กับเราไปนานๆพอเวลาที่มีการพัดพรากจากกันเราก็จะทุกข์ทรมานใจเราจะมีความหวาดกลัววิตกกังวลใจจะไม่มีความสุข จะมีแต่ความทุกข์ทั้งงที่มีอะไรมากมายแต่สิ่งต่างๆที่มีนั้นไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ของใจได้มีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ของใจเพิ่มมากขึ้นเวลามีมาก เวลาสูญเสียก็ต้องสูญเสียมากเวลามีน้อยก็จะสูญเสียน้อยดัง <c oughs> นั้นต้องเราต้องคอยเตือนใจเราเสมอว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อม มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาก็ควบคุมได้บางเวลาก็ควบคุมไม่ได้เวลาควบคุมไม่ได้ถ้าไม่ต้องการจะเกิดความทุกข์ใจก็ต้องปล่อยวาง ต้องยอมให้เขาเปลี่ยนไปยอมให้เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างฝนฟ้าอากาศเขาจะสงบหรือเขาไม่สงบเราก็ไปทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจถ้าเรารู้จักทำใจฝึกฝนอบรมใจ ให้นิ่งให้เฉยไม่ให้ต่อต้านต่อสู้กับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราทำใจเฉยไม่ได้ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เราก็จะต้องเครียดกับการมาทำต่างๆ การที่เราจะทำใจให้เฉยได้เราก็ต้องเจริญสติสตินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจนิ่งได้ทำให้ใจเฉยได้ทำให้ใจสงบได้ถ้าไม่มีสติใจจะเป็นไปตามเหตุการณ์ ต่างๆเวลามากระทบก็จะมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มาให้สัมผัสรับรู้บางทีก็มีปฏิกิริยาที่ดีคือดีอกดีใจมีความสุขบางทีก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีคือมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจ มีความหวาดกลัวอันนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถที่จะควบคุมใจให้นิ่งเฉยได้ให้สักแต่เรารู้ได้แต่สติเพียงอย่างเดียวก็ทำงานไม่ได้สมบูรณ์แบบคือสติ ถ้ามีก็จะคุมได้ถ้าเผลอสติก็จะคุมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องควบคุมบังคับสตินี้ต้องควบคุมบังคับ ปฏิกิริยาของใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีปัญญาปัญญานี้จะช่วยทำให้ไม่ต้องมาคอยบังคับคอยควบคุมถ้าปัญญาสอนใจให้รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสาระสำคัญอะไรไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจ ใ จ, ใจิตใจพอรู้ทันก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะสอนให้รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจเลย เป็นโทษทั้งนั้นเทําทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> การที่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็เพราะคิดว่าเป็นของเรา <c oughs> พออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้เป็นไปตามความต้องการของเรา พอเขาเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นทังใจก็จะต้องพยายามเปลี่ยนเขาแทนที่จะเปลี่ยนใจปรับใจ <c oughs> ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาที่เป็นการกระทําที่ง่ายกว่าเปลี่ยนใจเรานี้ง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสิ่งอื่นเปลี่ยนใจก็เพียงแต่ทําใจให้เฉย ท้านั้นเองถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เฉยให้เขาเป็นไปถ้าอยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้ก็จะวุ่นวายใจก็จะไปพยายามเปลี่ยนเขาบางทีก็เปลี่ยนได้บางทีก็เปลี่ยนไม่ได้เวลาเปลี่ยนได้ก็ดีใจไปสักระยะหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ก็ต้องมาเปลี่ยนกันอีกก็ต้องมีการแก้กันอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็กลับมาใหม่อีกเพราะอยากจะกลับมาเปลี่ยนเขาอีกอยากจะมาได้เขาอีกอยากจะมีเขาอีกพอหลงคิดว่ามีเขาแล้วมีความสุข มีรูปเสียงกิรลดให้เสพให้ดูให้ฟังแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่เขาไม่ได้เป็นไปาตามที่เราต้องการถ้าเรารู้ความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นคุณกับเรา แลวมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นคุณกับเราก็คือความสงบของเราเองของใจเองและความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ไปสนใจไม่ไปรับรู้ไม่ไปมีความผูกพันไม่มีความไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คือไม่ต้องการเขาไม่ต้องการให้มีไม่ต้องการใช้เขามาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรามีอยู่นี้ความสุขที่เรามีอยู่นี้มันดีกว่าอยู่แล้วแต่เราไม่รู้กันเราไม่เคยพบความสุขแบบนี้กันความสุขที่เป็นของเรา เป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี้เราไม่เคยพบกันไม่เคยเห็นกันเราเลยต้องไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปแล้วก็ต้อง หาความสุขมาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อยๆพอได้มาเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็หมดไปท่านถึงเรียกว่าอนิจจาชั่วกราวไม่ถาวรได้มาแล้วเดียวก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องม า, มาหามาใหม่ คนจึงต้องออกไปข้างนอกหาความสุขข้างนอกกันอยู่เรื่อยๆเพราะที่บ้านนี้ <c oughs> ไม่มีความสุขรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ที่บ้านมันเห็นแล้วมันจำเจแล้วมันก็เบื่อต้องเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ต้องออกไปเปลี่ยนสถานที่เคยไปสถานที่ใดมา แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปที่ที่ยังไม่เคยไปเพราะที่เคยไปนี่มันไม่มีความหมายสำหรับใจเสียแล้วเห็นแล้วไม่ประทับใจไม่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่มีความสุขเหมือนกับไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาที่ไปอยู่เรื่อยๆหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆอยู่เรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> แต่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือความอยากที่ไม่มีวันหมดความต้องการที่ไม่มีวันที่จะอิ่มที่จะพอได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ <c oughs> ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับใจได้มีสิ่งเดียวที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจก็คือความสงบที่เราไม่ค่อยได้ไม่เคยพบกันเพราะเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรม เราไม่เราจะไม่รู้ว่าเรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ในใจของเรานี่เองเพียงแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราหนีจากสิ่งนี้ไปออกจากสิ่งนี้ไปแทนที่จะเข้าหาสิ่งนี้เราถูกความหลงหลอกให้ออกไปหาสิ่ง ที่อยู่ข้างนอกใจสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความสุขปลอมแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกเรากลับเข้ามาหาความสุขในตัวเราการที่เราจะกลับเข้ามาเราก็ต้องดึงใจกลับเข้ามา ใจที่ถูกความหลงดันให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายเราต้องดึงใจกลับมาดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสทศภะให้เข้ามาสู่ข้างในสิ่งที่จะดึงใจเข้ามาให้เข้าสู่ข้างในได้ก็คือสตินี่เองที่สอนให้เจริญสติกันก็เพื่อจุดหมายอันนี้ เพื่อดึงใจให้กลับเข้าข้างในให้ใจเข้าสู่ความสงบหลาศจากความคิดปูนแต่งต่างๆเพราะว่าเวลาใจคิดใจก็จะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทําให้ใจเกิดความหิวความอยากที่จะต้อง ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจัดการกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามความอยากจัดการอย่างไรทำอย่างไรมันก็มันก็ไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอก็จะมีเรื่องที่จะให้จัดการอยู่เรื่อ ย, อยมีเรื่องที่จะให้ทำอยู่เรื่อยมีเรื่องที่จะให้เสพอยู่เรื่อย เพราะความอยากมันไม่หมดไปกับการหาความสุขแบบนี้ความอยากจะหมดไปก็จากการหาความสุขแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้หาก็คือให้ทำใจให้สงบพรเวลาใจสงบแล้วความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วก็ เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาชั่วคราวนี่คือความสงบที่ได้รับจากการเจริญสติเพื่อดึงใจให้ถอนออกจากการไปคิดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไกายพอใจกลับเข้ามาข้างในหยุดคิดความอยากต่างๆก็จะหายไปกับความคิด แต่มันยังไม่ตายดาบใดที่ยังมีความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากอยู่เวลาออกจากความสงบมาพอปล่อยให้ใจคิดใจก็จะคิดไปในทางความอยากใหม่อยากจะไปหาความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ใหม่อันนี้ถ้าอยากจะทำให้ความอยากนี้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญา มาสอนใจว่าการคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ไม่ถูกคิดแบบนี้จะทำให้ต้องไปดิ้นรนไปทุกข์ทรมานกับการหาสิ่งต่างๆแล้วหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาได้ เพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็จะต้องชราลงไปแก่ลงไปเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่สามารถที่จะทำอะไรตามความอยากได้แล้วก็ต้องในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาหาสิ่งต่างๆใหม่ ในระหว่างหาก็ทำบุญทำบาปสลับกันไปถ้าทำบาปกลับมาก็ต้องกลับมาเจอคู่เจ้ากรรมนายเวรต้องมาใช้บาปใช้กรรมทั้งในขณะที่มาเกิดและขณะที่ไปเกิดในภพต่างๆที่ไม่ใช่เป็นภพมนุษย์อันนี้มันก็จะทำให้จิตต้องไป เวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์กับการไปเกิดอยู่ในภพต่างๆถ้าเป็นผลของบาปก็จะไปเกิดในอบายเป็นภพที่ไม่ดีภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าได้ทำบุญก็จะได้ไปเกิดในภพที่ดีภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ แต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำอย่างที่เราเคยทำใหม่อย่างภพนิชานี้เราก็ทำอย่างนี้เหมือนกับที่เราเคยทำมาหลากหลายครั้งด้วยกันพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำแบบนี้ทำตามความอยากทั้งสามอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากเป็นนั่นเป็นนี่ อยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่แล้วก็ทุกไปกับความอยากเ <c oughs> พราะมาเกิดความอยากแล้วก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดินการดินของจิตก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขของจิตอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ความสงบพอไม่นิ่งมันก็วุ่นขึ้นมากระวนกระวายกระสับกระส่ายหุดหงิดลำคาญใจ กังวลอยากได้อะไรก็กังวลว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าได้ก็ดีใจไปเดียวเดียวแล้วเดียวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สอนใจด้วยปัญญาว่าการกระทาความอยากนี้ไม่ได้เป็นการนำไปสู่ความอิ่มความพอ ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแต่การไม่ทำตามความอยากนี่ต่างหากที่จะทำให้จตได้พบกับความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเพราะต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจข อ, ของความทรมานใจก็เกิดจากความอยากแน่อันนี้ถ้า ถ้าปัญญาสอนใจจนใจยอมรับความจริงใจก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปพอไม่ทำตามความอยากแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจวุ e ่นวายไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจทุกข์ทรมานใจเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เขาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ พาจะผ่าน้ำจะท่วมแผ่นดินจะถลม่มจะเป็นอันตรายก็ต่อร่างกายเท่านั้นเองแต่ร่างกายก็ไม่ใช่เป็นใจร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจที่หลงใจที่ไม่รู้ต่างหากที่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะมีความอยากให้ร่างกายนี้อยู่อย่างปลอดภัย มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมีเหตุการณ์อะไรที่จะมาทำให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่แก่ทุกข์เพราะความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะความอยากไม่ตายความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอใจ รู้ว่าเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญาก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดอะไรจะเป็นก็ปล่อยให้เขาเป็นอะไรจะดับก็ปล่อยให้เขาดับไปเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆไม่เกิดไม่ดับไปกับสิ่งต่างๆใจเป็นเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง แล้วมองดูโลกนี้จากจากระยะไกลโลกนี้จะระเบิดเป็นเสียงเสียงก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนใจเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้สิ่งผู้ที่อยู่ในโลกนี้ก็คือร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็ทำมาจากวัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือดินน้ำนมไฟส่วนใจนี้เป็นาธาตรู้เป็นผู้รู้ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพย์แต่มารับรู้ผ่านทางทางทางทางสัมผัสทางกระแสจิตกระแสจิตที่ส่งมารับรู้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็ส่งไปให้จิตแล้วจิตก็ใช้สัญญาสังขาร แปลความหมายแล้วก็ปรุงแต่งกับสิ่งต่างๆแต่จิตไม่ได้เป็นอะไรเป็นเหมือนคนดูถ้าเปรียบเทียกบกาเหมือนคนดูละครหรือคนดูภาพยนตร์ส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตัวละครตัวที่แสดงอยู่บนเวทีตัวที่จะต้อง เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีโดวที่จะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่คนดูละครไม่ได้เกิดไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายต้องเผชิญใจเพียงแต่รู้แล้วก็รับรู้ไปถ้าใจมีปัญญาก็จะรู้อย่างนี้ ถ้าภาวนาแยกจิตแยกแยกร่างกายออกจากกันก็จะรู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนแล้วถ้ามีปัญญาสอนใจอยู่เวลาออกจากสมาธิมาให้แยกร่างกายกับใจออกจากกันอยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจใจเป็นเพียงผู้รับรู้ผู้ดูแลร่างกาย เป็นเหมือนพี่เลี้ยงอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจด้วยนี่คือปัญญาที่เรียกว่าสัพเพธรรมานตตาคือใจต้องแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีผลกระทบอะไรกับใจ ใจไปหลงเองแล้วก็สร้างผลกระทบขึ้นมาเองด้วยความอยากต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะรับรู้เฉยๆใจจะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่วุ่นวายไปอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ได้ไม่เสียกับการได้การเสียของร่างกาย ร่างกายจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้ลาบยศสรรเสริญมามากน้อยเพียงไรได้ความสุขทางตาหูจะไม่จะบุกนึงกายมากน้อยเพียงไรใจก็ไม่ได้รับรู้อะไรไม่ได้อะไรเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรับรู้แล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็หมดไป <c oughs> ถ้าใจไม่ไปอยากใจก็ไม่ต้องไปดิ้นหาถ้าใจอยากใจก็ต้องไปดิ้นหา แล้วก็ต้องไปดีใจไปเสียใจกับการดิ้นหาแสวงหาเวลาได้ดังใจก็ดีใจเวลาไม่ได้ดังใจก็เสียใจแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะเอาได้ทำให้เป็นไปตามที่ใจต้องการได้จึงไม่สามารถห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บได้ห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้ ทำไม่ให้สิ่งต่างๆที่ใจรักใจชอบพัดพาจากใจไปได้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายเขามีกฎมีธรรมะเขามีเหตุมีปัจจัยของเขามีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาดับเขาต้องเกิดต้องดับไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของพ่อแม่ พี่น้องยาติสนิทไม่สหายของสามีภรรยาของบุตรของทิดาก็ต้องมีการสิ้นสุดลงต้องมีการพัดพ้าจากกันการพัดผ้าก็ไม่มีเ ว, มเวลาที่แน่นอนบางทีเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ก็มีบางทีผู้ใหญ่ตายก่อนเด็กก็มีมันไม่มีอะไรที่แน่นอนถ้าใจไปหลงไปยึดติดว่าเป็นของตน เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุขขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วจะต้องทุกข์เนี่ยพอขาดขึ้นมาจริงๆก็ทุกข์ขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าใจรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้ไ ม, ไม่ได้ให้ความสุขความทุกขกับใจอย่างแท้จริงใจไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ใจก็มีความสุขได้ถ้ามีความสงบถ้าใจมีความสงบใจก็จะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับตน ดังนั้นถ้าเรายัางต้องอาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราอยู่ยังต้องอาศัยบุคคลต่างๆให้ความสุขกับเราอยู่เราก็ควรที่จะเปลี่ยนทิศทางได้เปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ช้ก็เร็วเขาก็ต้องจากออกไป หรือไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไป <c oughs> สู้เรามาหาความสุขกับสิ่งที่มีอยู่กับเราไปตลอดไม่ดีกว่าเลยสิ่งที่ไม่มีวันจากเราไปสิ่งที่ไม่มีวนวันหมดไปจากใจนั่นก็คือความสงบที่จะเกิดจากการเจริญสตินันหน้าที่ของเราก็คือการเจริญสตินี่ อ, อย่าไปอยากให้มันสงบมันไม่สงบด้วยความอยาก มันสงบด้วยสติคือใจไม่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียว <c oughs> พยายามดึงใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอารมณ์ของการเจริญสติอยู่ถึง40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40อย่าเลือกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาใช้เป็นอารมณ์ควบคุมความคิด ก็ได้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่อย่างเป็นอย่างการเป็นประจำก็คือใช้พุโทโธเป็นอารมณ์ให้เราลำเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่ไปภายในใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องคิดก็คิดได้แต่ แต่คิดเท่าที่จำเป็นเพราะเรายังไม่อยู่ในสภาพที่จะเลิกคิดได้นอกจากเวลาเราไปบวชเท่านั้นถ้าเราไปบวชเป็นนักบวชเรื่องที่เราจะต้องคิดเกี่ยวกับการทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องกับเรื่องที่เราต้องคิดเกี่ยวกับการดูแลบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่มีหรือมีก็น้อยมากภาระของนักบวชนี้มีน้อยมาก เกี่ยวกับเรื่องภายนอกครอบครัวก็ไม่มีแล้วงานการก็ไม่มีแล้วแล้วจะไปคิดถึงเรื่องอะไรก็คิดถึงเรื่องบินทบาทปัดกวาดเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องเดียวเดียวถึงเวลาบินทบาทก็ไปเดินเข้าไปหมู่บ้านขณะเดินไปก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติไปได้พุโทโธไปได้ตลอดเวลาขณะรับบาทก็ได้เพราะไม่ต้องคุยกั น, ไ ม, กนไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่เปิดฝาบาดปิดฝาบาดเท่านั้นเอง การชีว <World> ิตของนักบวชจึงเอือต่อการเจริญสติชีวิตของผู้ครองเรือนนี้ไม่เอือแล้วก็ต่อต้านการเจริญสติเป็นอย่างมากทําให้เจริญสติได้ยากเพราะต้องมีเรื่องราวให้คิดอยู่เรื่อยๆมีปัญหาให้แก้อยู่เรื่อยๆมีเหตุการณ์ที่จะต้องคิดเพราะชีวิตมันมีเรื่องราวรัดตัว มีเหตุการณ์ต่างๆมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ต้องการเจริญสติให้ได้ผลจึงจำเป็นจะต้องอาหาเวลาปีกวิเวกจะเป็นเวลาสั้นยาวก็สุดแท้แต่ความสามารถที่จะทำได้ถึงจะเจริญสติได้ถึงจะทำใจให้สงบได้คือถ้าคิดว่าจะทำงานทำมาหากิน ทำธุระปาดปางอะไรต่างๆแล้วก็จเจริญสติไปด้วยนี่ก็จะทำได้ได้น้อยมากอาจจะทำได้ช่วงก่อนนอนหรือช่วงหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้วเวลาที่อยู่คนเดียวแต่นอกจากนั้นแล้วก็คงจะยาก <c oughs> แต่ถ้าไปลา ง, งานไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องมีภาระกับใคร ไปอยู่คนเดียวจะอยู่ได้กี่วันก็แล้วแต่ก็จะมีเวลาที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราไม่เจริญสติปั๊บ ใ, ใจมันจะคิดทันทีถ้าเราไม่มีพุโทโธปับ๊บมันจะคิดทันทีแล้วคิดแล้วก็จะเกิดความอยากตามมาทันทีพอเกิดความอยากตามมาก็เกิดความร้อนขึ้นมาความหงุดหงิดความลำคาญใจ ความกังวลกาวายแล้วก็ต้องไปทําตามความอยากความอยากส่วนใหญ่ก็ต้องกลับไปหาหาบุคคลต่างๆหาสิ่งต่างๆการนับปีกิเวก็อาจจะอยู่ได้ไม่ไม่ไม่นานถ้าไม่สามารถควบคุมสติได้ไม่ควบคุมใจได้ถ้าไม่สามารถเจริญสติได้เดี๋ยวพอใจไปคิดถึง ความสุขต่างๆที่เคยได้รับก็อยากจะกลับไปหาความสุขเบลนั้นก็จะไม่สามารถปีกไม่เวกอยู่เจริญสติได้อย่างนั้นเรื่องของการเจริญสตินี้จึงเป็นเป็นมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจต่อการสร้างความสงบให้แก่ใจ ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการเจริญสติเราจะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงได้เราก็จะต้องกลับไปหาความสุขชั่วคราวแล้วก็ต้องไปทุกกับการดิ้นนนดูแลรักษาแสวงหาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาสูญเสียความสุขแบบนั้นไปแล้วก็ต้องเริ่มรอบใหม่หาใหม่ หามาได้ก็ลองรักษารักษาจนกว่าจะรักษาไม่ได้พอหายไปเสียไปก็หาใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเรามีทางเดินอยู่สองทางคือการเดินตามความอยากหรือเดินตามทางการเจริญสติเพื่อหยุดความอยากงั้นถ้าเราอยากจะปาทางทางสติเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการเจริญสติ ต้องจเจริญอย่างต่อเนื่องพอตื่นขึ้นมานี้ก็ต้องตั้งสติก่อนต้องรู้สึกตัวก่อนว่าตอนนี้เรากำลังกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเราคิดเราก็ต้องหยุดมันถ้ามันไม่เป็นความคิดที่จำเป็นจะต้องคิดต้องหยุดมันด้วยสติจะเป็นพุโทโธก็ได้จะเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายกาลัง ทำอะไรกําลังนอนอยู่ก็รู้ว่าตอนนี้กําลังนอนอยู่แล้วพอร่างกายจะลุกก็รู้ว่ากําลังลุกลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านั่งลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ายืนลุกขึ้นมาเดินก็รู้ว่าเดินทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกแบบหนึ่งใช้ร่างกายเป็น ที่ตั้งของสติที่ตั้งของใจไม่ให้ใจไปอยู่ที่อื่นไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่ยังไม่มาถึงเอาให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาปัจจุบันก็ก็คือร่างกายนี้เองหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้พุทธโธ ก, กำกำกับการกระทำไปก็ได้ถ้าเราเฝ้าดูร่างกายแล้ว ยังหยุดความคิดไม่ได้มันยังไปคิดเรื่องนั้นคึ้คิดเรื่องนี้อยู่ก็ต้องลองใช้พุโทโธดูหรือถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ลองใช้บทสวดมนต์ดูลองสวดอิติปิโสไปสวดอรหังสัมมาสวัสวิา์าโตสุปฏิปโนไปตอนทำใหม่ๆนี้มันก็จะมีความคิดอยู่ข้อสาคัญเราอย่าไปสนใจมันก็แล้วกันขอให้เราสนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสติ ถ้าเราใช้พุทโธก็ให้สนใจอยู่กับพุทโธแข่งกับความคิดไปความคิดมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเราไม่ต้องไปหยุดมันหยุดมันไม่ได้ขอให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปพุทโธพุทโธของเราไปถ้าพุทโธของเรามีกําลังมากขึ้นต่อไปความคิดมันก็จะหายไปเองหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปสู้กับความคิดไปความคิดกำลังคิดอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดตาม ให้ให้สวดให้อยู่กับการสวดมนต์ไปหรือการฟังเทศฟังธรรมก็ทําได้เหมือนกันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ตั้งใจฟังอยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูรับรู้ที่ใจฟังไปเข้าใจก็ถพิจารณาได้ก็พิจารณาถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ฟังเสียงไป กาติดอยู่กับเสียงธรรมอย่าไปเกาะติดอยู่กับความคิดถึงแม้จะมีความคิดเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับเสียงธรรมแล้วใจก็จะมีอะไรยึดมีอะไรเกาะแล้วต่อไปความคิดมันก็จะไม่มีความสอบความหมายกับใจใจสามารถที่จะไม่ให้ความสําคัญกับมัน แล้วต่อไปมันก็จะว่างหายไปและเวลานั่งเฉยๆดูลมหายใจหรือดูพุทโธบริกรรมพุทธโธใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเราเข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้เราจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้รับมาจากทางตาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายจากราบยศสรรเสริญ พอเราได้พบกับความสุขอันนี้แล้วเราก็จะติดอกติดใจและอยากจะได้ความสุขนี้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีความเพียรมากขึ้นจะเปรีกวิเวกมากขึ้นจะตัดภารกิจต่างๆที่ผูกพันให้น้อยลงไปจนหมดไปเพื่อจะได้มีเวลามาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัตินี้มันต้อง มันเป็นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องไม่ถอนมันไม่ย้ายที่ถ้าปลูกได้สามวันแล้วก็ถอนมันขึ้นมาแล้วก็ย้ายที่ไปปลูกที่ใหม่ถ้าย้ายไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องปลูกมันไว้ที่เดียวบักหลักไว้ที่เดียวแล้วก็คอยลดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยให้น้าอะไรไป ต้นไม้เมื่อมันอยู่กับที่มันก็จะได้ขยายรากแ้ะมันก็จะสามารถดูดอาหารได้มากแล้วมันก็จะเจริญเติบโตได้การปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องต่อเนื่องสติต้องต่อเนื่องสมาธิต้องต่อเนื่องปัญญาต้องต่อเนื่องผลมันถึงจะต่อเนื่องถ้าทำแบบสามวันดีสี่วันไข่มันก็จะล้มลุกคุกขาด คนที่ล้มลุกคุกขากับคนที่วิ่งตลอดเวลานี้ใครจะไปถึงหลักชัยก่อนใครอันนี้ก็เหมือนกันสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสงบสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องตัดสิ่งต่างๆที่จะมา ดึงให้ใจไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้าเราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญเท่ากับการสร้างความสุขสร้างความสงบนี้เราก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันต้องจากเราไป อย่างแน่นอนมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเราไปเอาของที่เป็นของชั่วคราวทำไมเราทำไมไม่เอาของที่เป็นของถาวรของถาวรก็คือความสงบภายในใจเรานี้เองมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอย่างความสงบของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์าคกทั้งหลายตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในใจของพระสาวกทั้งหลายอยู่ แต่ความสุขที่เราได้จากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันหายไปไหนหมดมันได้มาแล้วเดียวมันก็หายไปหายไปแล้วก็ต้องหาใหม่หาใหม่ก็ต้องกลับมาตายไปก็ต้องกลับมาหาใหม่เพราะความอยากมันดึงให้กลับมาแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาถ้ามีความสงบก็จะไม่อยากได้อะไร แต่สงบได้ก็ต้องมีสติจะเจริญสติได้ก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปต้องอยู่คนเดียวได้ต้องไม่พึ่งพาอาศัยอะไรทั้งนั้นพึ่งแต่สติเพียงอย่างเดียวเรื่องสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาที่เรียกว่าธรรมังสรารังกฉามิก็คืออันนี้แหละธรรมปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราก็เป็นกรรกำลังสร้างที่พึ่งของใจ ถ้าเราปฏิบัติได้สมบูรณ์เราก็จะได้พิที่พึ่งของใจเราก็จะเป็นอัตตาหิอัตนาโมนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนได้ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องพึ่งมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนร้อนไปนับภาษาอะไรกับของนอกกายเช่นลาบยศสรดเสริญ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของพวกนี้เราไม่ต้องพึ่งมันก็ได้ เราถ้าเรามีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วก็คือมีความสงบที่ถาวรดังนั้นก็ขอให้ท่านจงให้ความสาคัญต่อการสร้างความสงบสุขของจิตใจเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นของของเราอย่างแท้จริงที่ไม่มีวันจะจากเราไปและจะให้ความสุขเราไปตลอด และจะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทํากันเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องหมุนเวียนเวียนไหวตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องเบื่อเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายแต่วันที่เราเบื่อนั้นเราจะมีโอกาสอย่างวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าเบื่อ อนที่พระพุทธเจ้าเบื่อกับความแก่ความเจ็บความตายท่านไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกทางท่านเลยต้องเหนื่อยหน่อยท่านต้องหาทางเองแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบารมีที่เหนือกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะหาทางได้ด้วยตนเองท่านจึงสามารถหาความสุขที่แท้จริงได้ หนีจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเป็นอย่างพวกเรานี้ขนาดมีผู้สอน<ม>ผู้บอกแล้วยังทาไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีผู้สอนผู้บอกเราจะทาได้อย่างไรถ้าเราเกิดไปเกิดในอนาคตแล้วเราเกิดมีความเบื่อความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาอยากจะหาทางออกเราก็ไม่มีทางที่จะหาทางออกได้เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะหาเอง เราก็ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามาบอกทางให้กับเราซึ่งนานๆนจะมีพระพุทธศาสนามาเกิดมาเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางให้แกส่สามโลกสักครั้งหนึ่งตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนานำทางแล้วสิ่งที่เราควรจะมีในตอนนี้ก็คือความเบื่อควรจะเบื่อกับการเกิดแกเ่เจ็บตายควรจะเบื่อกับการต้องหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ทุกข์กับการสูญเสียขอให้เราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกาลังใจ ที่จะดันผักดันตัวเราให้เข้าสู่ให้เข้าหาความสุขที่แท้จริงคือให้เข้าเข้าไปข้างในใจด้วยการเจริญสติด้วยการปีกไม่เวกพอใจได้ความสงบแล้วขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์ พอเวลาสูญเสียความสุขนั้นไปใจก็จะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหามาให้หาให้อยู่กับความสุขที่สงบนี้เพียงอย่างเดียวพอแล้วดีที่สุดก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพเฑ์พิจณ า, าและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกาปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสลิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตะวันตรายโยสุขีทีขาโกภวะ อาพิวาธานสาีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยัตตาโรธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาั <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะถามตอบปัญหาถ้าท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็เชิญเข้ามาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ เวลามีอะไรมากระทบอะค่ะผู้อาวุโสก็จะสติแตกอะค่ะก็คือประคองสติไม่อยู่ก็คือตอนนั้นสติปัญญาจะหายหมดเลยอะค่ะไม่ทราบว่าต้องต้องเดินหนีไปก่อนก็แล้วกันถ้าเดินหนีได้ก็หนีไปถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องประคับประคองจิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ท่องอะไรไปก็ได้ อย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่มากระทบใจเราดึงใจให้เขามีอะไรยึดไว้พุโทโธก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้อะไรก็ได้สัพเพสัตตาเวลาโนตุแผ่เมตตาไปก็ได้ข้อสำคัญอย่าไปรับรู้หรือไปคิดถึงเรื่องที่ที่มากระทบใจถ้าถ้าดอนหนีได้ก็ห น, นีไปก่อน ไปหาที่สงบสติไปที่สงบสติอารมณ์อย่าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์นั้นขอบคุณครับมีกะถางเลยไหมครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับ คำถามแรกเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามไม่ประสงค์จะออกนามนะครับคนที่มีทิฐิมานะหรืออีโก้สูงเช่นบางครั้งคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองต่าต้อยเหลือเกินในเวลาที่เกิดความทุกข์ควรจะทำอย่างไรเพื่อกาจัดหรือทำให้สิ่งนั้นลดลงก็เวลาเกิดความทุกข์ก็ต้อง หาสาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรซึ่งมันก็ไม่นี้นีไม่พ้นความอยากสามอันนี้อยากมีอยากเป็น ouais, พอไม่ได้เป็นตามความอยากก็ทุกข์ขึ้นมาหรืออยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ก็ให้เรา พิจารณาปัญญาว่าทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์หมดเป็นอนัตตาเราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็ได้บางเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงต้องเป็นน้ําใจนักกีฬาเหมือนเล่นกีฬาก็จะให้ชนะไปตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้าง อยู่ในโลกของอนิจจังที่ไม่แน่นอนมันก็ต้องมีได้มีเสียบ้างเป็นธรรมดาการที่เราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวมันก็จะเป็นไปไม่ได้พอเราไม่ได้ดังใจเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมายัางต้องหายพยายามสอนใจให้มีปัญญาแล้วก็พยายามควบคุมความอยากไว้ว่าความอยากนี่แหละที่เป็นตัวทำให้เราทุกข์ อาทำใจให้เป็นสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดยินดีรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิบากที่เราทํามาเราทําอะไรไว้มันก็จะต้องส่งผลให้กับเราดีบ้างไม่ดีบ้างอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีขึ้นมีลง ทำมาหากินบางทีก็ขายดิบขายดีบางทีก็ขายไม่ดีเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เอื้อการค้าขายมันมีทั้งเอื้อและไม่เอือ้อเช่นตอนนี้คนก็บว่นว่าเศรษฐกิจซบเซาเพราะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีขึ้นใหม่เหมือนกับน้าขึ้นน้าลง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนี่ปัญหาของคนเราที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะอยากจะได้อย่างเดียวอยากไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียกันพอเสียก็เลยทุกข์แต่ถ้าทําใจให้ยุติธรรมก็คือทําใจให้เป็นกลางว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีได้บ้างมีเสียบ้างเวลาได้ก็อย่าไปดีใจอ้า เก็บส่วนที่ได้ไว้นี้ไว้สำหรับมาชดเชยตอนที่เสียให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รับกับเวลาเสียได้แล้วเรื่องที่เขาบางครั้งมีความคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นนะครับพระอาจารย์ก็ให้หาคิดถึงความตายบ้างเลยเก่งขนาดไหนก็ต้องตาย คำถามข้อต่อไปจากคุณลลนาชัยนะครับในกรณีนั่งสมาธิจนลมหายใจละเอียดและทิ้งคำบริกรรมไปเองมีแต่ตัวรู้แต่ทำไมยังมีความคิดอยู่ครับกลับไปตามลมหายใจก็ไม่มีให้ตามจะบริกรรมจิตก็ไม่บริกรรมควรทำอย่างไรดีครับจะรู้ตามความคิดความรู้สึกก็มีบางครั้งที่ให้รู้บางครั้งก็นิ่งเฉยเฉยอย่างนี้ จิตสงบหรือยังครับใช่ที่เรียกว่ายานสามที่ทิ้งวิตกวิจารใหม่ครับแต่ก็ยังงงที่ยังมีความคิดอยู่ในความสงบนั้นก็มันมันสงบไม่เต็มที่ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าดูลมได้ก็ดูถ้าไม่มีลมให้ดูถ้าบริกรรมได้ก็บริกรรมไป ถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ให้ประครับประครองสติให้อยู่ให้อยู่ให้รู้เฉยเฉยไปก็ปัญหาก็คืออย่าไปอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าให้รู้เฉยเฉยไม่ไปคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้เฉยเฉยอยู่อย่างนั้นไปแต่ถ้ามันคิดปรุงแต่งได้มันก็น่าจะบริกรรมได้ าการบริกรรมก็คือการคิดปรุงแต่งเหมือนกันคำถามข้อต่อไปจากคุณกหนกศรีนะครับข้อที่หนึ่งการที่สามียอมสละไตข้างหนึ่งให้ภรรยาหรือลูกหรือยอมสละไตข้างหนึ่งให้พ่อหรือแม่นั้นหรือภรรยายอมสละไตให้สามีข้างหนึ่งนั้น อนิสงฆ์ในการสละอวัยวะของตัวเองเพื่อคนที่ตนมีความผูกพันด้วยนั้นได้รับบุญมากไหมคะก็ได้ช่วยชีวิตเขาซึ่งอนิสงฆ์นี้ก็อาจจะในอนาคตถ้าเกิดเราเกิดจะเสียชีวิตขึ้นมาก็อาจจะมีผู้อื่นมาช่วยชีวิตเรา อแต่เป็นในลักษณะของให้กับบุคคลในครอบครัวไม่ได้ให้บุคคลทั่วไปครับอาจารย์ก็ได้ทั้งนั้นอะ่ะให้กับใครก็ได้ข้อที่สองการที่บริจาคโลหิตเพื่อผู้ผู้อื่นนั้นได้รับบุญมากกว่าบุญชนิดอื่นหรือไม่คะและเป็นทานประเภทหนึ่งใช่ไหมก็ให้โลหิตก็จะได้โลหิตเวลาเราไปเจ็บไายได้ป่วยล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโลหิตเนี่ย ถ้าเราไม่เคยให้พอ ถ, ถึงเวลาจะต้องการโลหิตอาจจะไม่มีโลหิตให้เราก็ได้ก็คิดอย่างนี้ให้อะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาก็ล้กันข้อที่สการที่บุคคลหนึ่งไปเก็บสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือดูแรลรักษาโดยไปเก็บหมาหรือแมวมาเลี้ยงดูด้วยความสงสารแต่ตัวเองไม่มีเงินมากจึงเลียยายเงินของผู้อื่นมาทานั้น บุคคลนี้จะได้รับบุญที่เกิดจากการกระทานี้หรือคนที่บริจาคเงินให้เป็นผู้ได้รับบุญหรือได้บุญทั้งสองฝ่ายก็ได้ทั้งสองส่วนคนที่ทำด้วยแรงแรงกายก็จะจะได้บุญแบบนั้นคนที่บริจาคทรัพย์ก็จะได้ได้บุญแบบนั้นคือจะไม่เหมือนกันคนที่บริจาคทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ คนที่เบ่ยจากแรงกายก็จะได้มีคนมาช่วยเหลือในอนาคตเวลาทำงานทำการไม่ไม่มีแรงพอที่จะทำเองได้ก็จะมีผู้อื่นมาทำแทนให้คำถามข้อต่อไปจากท่านเดิมนะครับหลวงตากล่าวไว้ว่าใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกว้างขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสำคัญคนมีทาน ไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วสละได้จนกระทั่งสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจของตนสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจนั้นคือเป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ชั้นหยาบจนถึงชั้นละเอียดสูงสุด สละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะอำนาจความเสียสละเลยกลายเป็นคนหมดความเห็นแก่ตัวข้อที่หนึ่งกิเลสนั้นทำไมหลวงตาถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดคะเพราะเราเพราะเราอยู่กันมันมาเราไม่เคยจากมันเลยเนี่ยเราไม่เคยไล่มันไปไหนเลยเราคอยเลี้ยงดูมันตลอดเวลา เราเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราหงแหนมันข้อที่สองการสละกิเลสเป็นขั้นละเอียดสูงสุดนั้นหมายความว่าอย่างไรก็กิเลสนั้นมีเป็นขั้นๆไงมกีกิเลสชนิดหยากิเลสชนิดปานกลางกิเลสชนิดละเอียดกิเลสมันก็เกาะติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ส่วนหยาบมันก็จะละง่ายกว่าส่วนที่ละเอียดเช่นเราละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ง่ายกว่าการละอวัยวะระหว่างเบริจากเงินกับเบริจากอวัยวะเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ายากกว่ากันแล้วการสละเบริจากชีวิตนี้ยิ่งยากกว่าการเบอร์จากอวัยวะเห็นผู้ที่ต้องการทมพระเจ้าจึงบอกว่าต้องสละทรัพย์สละอวัยวะ และสล ะ, ะชีวิตคือการสละชีวิตนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าให้ฆ่าตัวตายหรือเอาเอาค่าร่างกายเราแล้วเอาเอาเอาวัยวะต่างๆไปแจกให้คนอื่นหมายถึงว่าเรายอมตายเพื่อทำเรายอมปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้ายอมนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพยอมตายถ้าไม่ได้ตัดสินนี่คือความหมายของการยอมสละชีวิตน งั้นการสละมันมีทั้งขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเพราะความผูกพันมันมีไม่เท่ากันความผูกพันกับสิ่งภายนอกก็เป็นระดับหนึ่งความผูกพันกับร่างกายก็อีกระดับหนึ่งมันมีต่างกันคำถามข้อต่อไปจากคุณวิสารลายานะครับ อยากทราบว่าถ้าถือศีลแปดสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่าคะถ้าเราทำในที่ที่มันมิชชิตไม่ไปประเจดิดประเจดิดไม่ไปต่อหน้าสาธารณชนก็ไม่น่าจะเสียหายถ้าทำเพื่อเพื่อรักษาสุขภาพครูบาอาจารย์ท่านก็มีการทำโยโคโคกโยคะเหมือนกันอย่างโนตา้าปกติตอนเช้าเวลาภาพ ลงไปที่ศาลาเพื่อเตรียมออกบินบาตดช่วงนั้นพระเนนจะกวาดถูศาลากันหลวงตาท่านก็มักจะไปนั่งกํากับเพราะถ้าไม่ท่านไม่ไปเดี๋ยวบางองค์ก็จะเอารัดเอาเปรียบทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ถ้าหลวงตาลงศาลาทุกคนก็จะเขมักรเขม่นทํากันช่วงนั้นหลวงตาท่านก็จะนั่งยืดเสน้นยืดสายอะไรของท่านไปทําโยคะของท่านไป ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการละเทสะไม่ใช่ไปเดินสวมสวนลุมใส่ชุดขาวไม่ชีแล้วก็ไปไปทำทำอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมควรจะให้รู้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทาต่อหน้าสาธารณชนแต่ทำได้ถ้าเราอยู่ตามลาพังของเราอยู่ที่ภาคของเราถ้าทำเพื่อสุขภาพ อย่าอยากทเพื่อความสวยงามหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีคนอยากจะถามปัญหาข้างหลังนะมีคําถามค่ะพระอาจารย์คือเคยเอสมักจะเจอกลุ่มกลุ่มหลายที่พบเจอค่ะคือเขาก็ชอบที่จะทําบุญอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ไ ม, ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจถึงกันนั่งกรรมาฐานไงคะเรามีวิธีแนะนําเขายังไงคะเพราะว่าบ้างบ้างก็เจอเขาว่า เขาจะมีเขา้าโอเคเราจะไปทำบุญนะเขาจะฝากเงินมาทําแต่ว่าถามว่าไอ้เคยปฏิบัติทำไหมอันนี้เขาจะไม่เข้าใจเขาจะมองไปว่าการปฏิบัติทำคือฉันต้องมีปัญหาฉันถึงต้องมาปฏิบัติทำเนี่ยค่ะก็ถ้าเรามีโอกาสที่จะเอ่อจะจ ะ, จะแจกแจงจะจะแจ้งให้เขาทําความเข้าใจให้กับเขาได้ว่าการทําบุญทําทานนี้มันสู้การนั่งภาวนาไม่ได้เพราะ ความสุขที่จะได้รับนี้มันมีอนิสงส์ที่ต่างกันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าฐานะจิตของแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันการที่เขาทำเพียงแต่ทำบุญทาทานก็เพราะว่าจิตของเขายังอยู่ในระดับนั้นอยู่เขายังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่านั้นเช่นรักษาศีลแปดหรือปลีกวิเวกไปภาวนาได้เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เขาทาอย่างนั้น ป, ปล่อยปล่อยเขาไปาเลยคืออะยังแต่ว่าเราอาจจะบอกก็ได้คุยกับเขาได้ว่าเออพี่ทําอย่างนี้ดีนะอไปทํามาแล้วมีความสุขมากแต่ถ้าก็ยังไม่พร้อมที่จะทําทก็อย่าไปออย่าไปชักนําเขาหรือไปดึงเขาเพราะก็อาจจะไม่พอใจก็ได้เรามีหน้าที่บอกเขาได้แต่ถ้าเขายังไม่พร้อมก็ต้องปล่อยเขาไปก่อน อาจารย์ครับอีกคำถามนึงครับเป็นไปได้ไหมคาารับพระอาจารย์สำหรับผู้ที่มีมิจฉาทิฐิมาก่อนแต่เมื่อมีความเห็นถูกมีสัมมาทิฐิเข้ามาเนี่ยสามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนหรือแม้แต่บุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือสิ่งที่ดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น สภาพจิตใจหรือว่าจากที่เห็นมิจฉาทิฐิเหมือนกันก็กลายเป็นมาเห็นสัมมาทิฐิเช่นกั น, กนครับพระอาจารย์ได้เพราะว่าทิฐิก็เป็นตัวที่จะนำพาของการความคิดกับการกระทำนั่นเองถ้าเราคิดผิดถ้าเรามีความเห็นผิดแล้วก็จะคิดผิดทำผิดพูดผิดถ้าเราเห็นถูกเราก็จะคิดถูกพูดถูกทาถูกนะเช่นองคุลิมานี้ตอนตั้งก็เห็นผิด เพราะถูกสอนให้เชื่อแบบผิดๆให้เชื่อว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องสามารถฆ่าคนได้ถึง1000คนองคุลิมานก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการฆ่าคนเพราะคิดว่าจะทําให้ตอนเป็นผู้วิเศษแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่านี่เป็นความคิดผิดความคิดที่ถูกก็คือต้องมาฆ่ากิเลสไม่ใช่ไปฆ่าผู้ต้องฆ่าความโลภความโกรธความหลง พ อ, อคุิมาได้ฟังก็ยอมรับความความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความเห็นที่ถูกความเห็นของตนมันผิดแกก็เลยเปลี่ยนจากการไปฆ่าผู้อื่นมาฆ่ากิเลสของตนก็เลยได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาอันนี้พูดถึงแบบสุดๆนะแต่แบบธรรมดาก็มีคนเยอะแยะอย่างตัวเรานี่เมื่อก่อนเราก็คิดผิดเราก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขการ ไปเที่ยวไปไปดื่มไปรับประทานอะไรแต่พอมาอ่านหนังสือธรรมะแล้วมันก็เห็นว่ามันมีมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์เสมากกว่าเพราะต้องดิ้นโดนหาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ไม่สบายใจเวลาได้มาก็สบายใจสุขใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็เกิดความทุกข์ใจอยากจะหาใหม่พอมาอ่านหนังสือธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ข้างในอยู่ในใจก็เปลี่ยนเนี่ยเคยทำงานก็ลาออกจากงานเน่ยยหาเงินหาทองก็มาหาธรรมะแทนหาความสงบทางใจแทนอันนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้าใครสามารถที่จะน้อมเอาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามามาใช้กับตนชีวิตของตนได้ก็จะเปลี่ยนนะก็ญาติโยมทุกคนที่มานี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไ แต่พอได้ยินได้ฟังธรำได้สัมผัสรับรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนีสิ่งที่ผิดเราก็ยกเลิกไม่ทํามันสิ่งที่ถูกเราก็พยายามทําให้มันมากขึ้นไปทุกคนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะการที่จะมีสัมมาทิฏฐิก็คือต้องได้อยู่ใกล้ผู้รู้ผู้ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านั่นเองคือการได้ยินได้ฟังธรรนหนึ่งในอันดิสงของการฟังธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วว่าจะมีสัมมาทิฏฐิ จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นที่ถูกต้องเพราะพวกเราทุกคนนี่เป็นผู้มีวิชาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่มีวิชาทิฏฐิเราจะไม่มาเกิดกันหรอกการมาเกิดนี่ก็เป็นผลของวิชาทิฏฐิแล้วผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็คือผ้าอารหันต์ทั้งหลายท่านไม่กลับมาเกิดกันเพราะท่านรู้ว่าความอยากนี่เป็นเป็นตัวอันตรายเป็นโทษกับจิตใจ ท่านก็เลยล่าความอยากเมื่อล่าความอยากมันก็เลยไม่มีภพชาติตามมาอีกต่อไปดังนั้นถ้าเรายังมาเกิดอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เพียงแต่ว่ามีระดับไหนระดับสูงระดับต่ําบางคนก็มีสัมมาทิฏฐิระดับต่ําเช่นชอบทําบุญทําทานแต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิในระดับภาวนาอยู่ยังไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาชอบแต่ทําบุญอย่างเดียว อย่างนี้ก็แสดงว่าก็ยังไม่มีมิจฉ า, าทิฏฐิในบางส่วนมีสัมมาทิฏฐิในบางส่วนเพราะก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งถ้าเขาศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วเขาก็อาจจะมีสัมมาทิฏฐิในทุกระดับก็ได้ก็จะทำให้เขามีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติทำมากขึ้นไปอย่างนั้น ที่จะตอบก็คือแน่นอนการมีสมาทิฏิินี้ย่อมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกา ร, การดําเนินชีวิตไปอย่างแน่นอนจากหน้ามือเป็นหลังมือและผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็จะเป็นผลดีเพราะคนที่มีสมาทิฏฐิจะคิดดีพูดดีทําดีจะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นคนที่เคยดื่มสุรายาเมาก็เลิกดืม่มคนที่ ชอบเที่ยวเต่เที่ยวกลางคืนก็เลิกเที่ยวควรอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่มึนเมาไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทุบตีกันอยู่บ้านร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพระอาจารย์ครับแล้วจะทำอย่างไรดีครับอันนี้เป็นคำถามของผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งเขามีพ่อเนี่ยซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวซึ่งพ่อเนี่ย จริงๆแล้วอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเนื่องจากได้เห็นการกระทาต่างๆซึ่งไม่ถูกไม่ควรของผู้บวชจึงทำให้เมื่ อ, อปัจจุบันเนี่ยทำให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีมีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดทุกอย่างคือไม่ไม่เอาวัดไม่เอาวาไม่เอาคำเทศต่างๆเลยเนี่ยมีวิธีไหนเนี่ยที่จะดึงเขากลับมาได้ครับพระอาจารย์ถ้าเราพูดได้ก็พูด ถ้าพูดไม่ได้เราก็ต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทำตัวท่านเป็นตัวอย่างท่านออกบวชออกบวชแล้วพอบรรลุแล้วท่านก็กลับมาปวดญาติโยมพอญาติโยมเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาก็ออกบวชตามมีเจ้าชายอยู่ห้ารูป ด, ด้วยกันที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าก็ออกบวชกันแม่ของพระพุทธเจ้าก็ออกบวชอันนี้ก็เป็นวิธี ที่เราจะทำได้แต่การที่เราจะไปะจับยัดเขาเข้าไปในขวดอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่อยากเข้ามันเขาทำไม่ได้เหมือนลากหมาไปอาบน้ำอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าหมามันรู้ว่าโออาบน้ำน่าสนุกเนี้ยมันก็กระโดดลงไปเองแล้ว <c oughs> เราต้องทาเป็นตัวอย่างหรือถ้าเราพูดได้ก็พูดเนี่ยราคุยกันได้แล้วเขาฟังก็ดี ถ้าคุยกันแล้วเขาไม่ฟังเขาก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาเสียน้ําลายก็มีทางเดียวก็คือเราต้องทําตัวเราเป็นตัวอย่างถึงแม้เราทําเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็อาจจะไม่ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเราก็ได้ก็สแสดงว่าจิตของเขาเป็นแบบพวกปัทภปาระมะเป็นพวกที่มืดบอดที่ไม่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของการของการประพฤติดีทําตัวเป็นคนดีได้อันนี้เราก็ต้องปล่อยเขา พระเจ้าก็สอนให้เราโปร่งอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะทํากรรมบันได้ไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขามีมิจฉาทิฏฐิมาเขาก็ทําตามมิจฉาทิฏฐิของเขาไปจนกว่าวันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิของเขานี้ถูกสัมมาทิฏฐิมาลบล้างไปได้วันนั้นจะถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะ พระอาจารย์ครับเมื่อเช้านี่ครับมีสภาวะการฟังธรรมคือว่ามาเห็นตัวเองนะครับเมื่อฟังธรรมอยู่เนี่ยร่างกายจะอยู่ในสภาวะของการนั่งสมาธิจะไม่มีการขยับเขยื่อนไม่เมื่อยไม่ปวดแล้วก็ไม่มีน้ําลายออกมาแต่ว่าสติจะจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมและพิจารณาตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเสียง ที่มากระทบหูเนี่ยจะเหมือนอีควอไลเซอร์ครับมันจะเห็นเป็นกราฟมาเลยครับอาจารย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกไหมครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นสัญญาของเราไงเราเคยดูพวกไอ้เครื่องนี้บ่อยๆ <laughs> <laughs> มันก็ได้ฟังอยู่ในใจเรา <laughs> แต่มันไม่เสียหายอะไรคือผลที่เราได้เนี้ยถูกแล้วคือจิตเราใจเราสงบจดจ่ออยู่การฟัง <laughs> เหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ย การฟังธรรมท่าหนหึงบอกยังมีมอานิสงส์ก็เกิดทาให้ใจสงบผ่องใสบางทีเรานั่งสมาธิเองเราไม่มีกําลังที่จ ะ, จะเจริญสติพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเราก็เลยอาศัยเสียงธรรมที่เราฟังนี้เป็นตัวเป็นตัวกล่อมใจแทนเป็นตัวเป็นตัวตั้งสติแทนพอเราใจเราจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมพิจารณาไปด้วยเราก็จะได้ความสงบได้ปัญญาด้วยไปพร้อมๆกัน พระอาจารย์ครับคือมีช่วงหลังๆนะครับก็อย่างช่วงครับอย่างช่วงเวลาขับรถมาที่ไกลผมก็จะเปิดซีดีท่านอาจารย์ฟังอะครับเราจะรู้สึกรู้สึกว่าบางทีอยากจะนั่งลงตรงนั้นเลยนั่งลงอยู่กับที่เพราะว่าแต่มันเป็นอารมณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขอะครับแต่มันเป็นสิ่งที่อยากจะอยู่แต่นิ่งๆอยู่แต่กับสมาธิอย่างเดียว แต่ว่าอารมณ์นี้ของผมยังคงอยู่ได้ไม่นานนะครับยังได้ประมาณบางครั้งก็ได้ครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ได้หนึ่งชั่วโมงแต่บางทีช่วงนี้ผมตกงานอยู่ก็ยังอยู่บ้านเฉยๆก็พยายามปฏิบัติสมาธิทุกวันแต่บางทีพยายามทำผมทั้งอาทิตย์ก็ยังไม่ได้่ก็บางครั้งก็อยู่นั่งเฉยๆก็รู้สึกอยากจะอยากจะนั่งอยู่กับสมาธิเฉยๆอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าอาการกับอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับ มันก็เป็นเรื่องของอนิจังอะจิตของเราอยังแปรปรวนอยู่แบางทีก็อยู่ในภาวะที่อยากจะเข้าสู่ความสงบบางทีก็อยู่ในภาวะที่อยากจะออกจากความสงบมันเข้าๆออกๆอยู่นั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเพราะเราไปทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้มันดีขึ้นได้ก็คือถ้าเราหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆเหตุที่จะทําให้จิตสงบก็คือสตินี่เององั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามเจริญสติให้มากๆให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปจิตมันจะสงบอย่างต่อเนื่องไปเองแต่เวลาขับรถนี่ก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักก่อนนะไม่ใช่อยู่ที่การฟังธรรมเพราะเดี๋ยวเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะ แก้ไม่ได้แก้ไม่ทันแต่จะฟังไปด้วยก็ได้แต่แต่ต้องระวังว่าหน้าที่หลักของเราก็คืออยู่ที่การขับรถครับอบ ม, อมีข้างหลังอีกท่านหนึหลายคนนี้ครับผมครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับพอดี ช่วงนี้ผมปฏิบัติทำช่วงที่จิตมันรวมสังเกตเหมือนกับว่ามีมีแสงเวลานั่งสมาธิเวลาจิตมันรวมเข้ารวมเข้ามันจะมีแสงให้เห็นนี้หมายถึงจิตรวมไหมครับก็รวมในระดับหนึ่งเงี้ยแดงไม่รัดไ ม, ไม่ไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่แล้วจะมีแต่ความว่าทุกอย่างหายไปหมดเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศ แต่ถ้ายังไม่ถึงนั้นก็มั น, ม, นมันก็มีแสงมีภาพมีอะไรให้ให้ปรากฏขึ้นมาได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอเจริญสติต่อไปภาวนาวต่อไปจนกว่าเราจะเข้าสู่ความนิ่งความสงบจากแต่ว่ารู้มันมันจะเป็นแบบนี้มาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับมันจะเป็นทุกตอนทุกวั น, วนตอนเช้าแต่ตอนตอนเย็นจะไม่ค่อยเป็นเราที่นี่พยายามให้มันเปลี่ยน ถ้ามันให้มันว่าง<ร>ามันโ<ป>ลง่งเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ต้องอยู่ที่การจเจริญสติอย่างเดียวเท่านั้น<ช>เองจะไปกาหนดกำหนดไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้แต่เราต้องใช้สติเป็นตัวกอมมันเข้าไปดูมีสติจเจริญสติต่อไปถ้าพูดโธได้ก็พูดโธไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นเครื่องกอมใจเราก็ใช้อันนั้นต่อไป อย่ า, าพิ่งหยุดแสดงว่าต้องทำทำใจฮะว่าทําจิตให้นิ่งนะครับต้องมีเจริญส ต, สติต้องเจริญสติครจะดูลมก็ให้ดูลมต่อไปถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดพอเจอแสงสว่างแล้วก็พุทโธต่อไปอย่าไปอยู่ตรงนั้นถ้าหยุดมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นเหมือนขับรถเนี่ยพอไปถึงถึงอะไรสักอย่างหนึ่งกลางทางก็หยุดจ้าไม่ขับรถต่อไปก็ไปไม่ถึงบ้าน บางทีมันก็แบบว่ามันจะหมดเหงียดแล้วทีนี้ก็เลยออกออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมก็แสดงว่าเราสติเรามีกําลังเท่านั้นดันมันเข้าไปได้เท่านั้นชู้กําลังของกิเลสที่จะดันออกไม่ได้กิเลสมุ่งพยายามจะดันเราออกให้ไปหารูปเสียงกิ่นรถอยู่ตลอดเวลาสติพยายามดันมันเข้าไปงั้นสติเราถ้ามีกําลังไม่ไม่มากพอมันก็ดันไปได้ไม่ไม่ลึก แล้วเดี๋ยวก็ต้องถูกกิเลสดันออกมาก็เลยต้องออกมาเดินจงกรมแทนพอพอผมเดินจงกรมได้สักสักเวลาหนึงสักครึ่งชั่วโมงผมก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่กาหนดจิตใหม่มันมันก็เห็นแต่แสงแต่ว่ามันไม่ผ่านตรงนี้สักครั้งเลยคุณใชอะไรกําหนดจิตอ่ะก็บางทีก็พุโทโธบางทีไหมครับว่าไงก็างภาวนาพุโทโธไป แล้วทีนี้พอพุโทโธรไปเรื่อยๆก็แล้วก็มากําหนดลมหายใจต่ออ๋อเอาอย่างเดียวเอะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วก็ให้ทําไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดมันพอไปเจอแสงก็ทําต่อถ้าบริกรรมต่อได้ก็บริกรรมต่อไปรืดูลมต่อได้ก็ดูลมต่อไปทําท จ, นทจนแสงมันหายพอหายไปแล้วก็มันว่างได้สักพักหนึ่ง มันก็หมดกําลังมันก็อยากจะออกมาลังมันก็จิตมันก็ฟุ้งไปก็แส ด, ดงว่าทําให้เบื่อไปสติของเรามีกําลังเท่านั้นไงเพราะเราไม่ได้เจริญสติก่อนที่เรามานั่งอย่างต่อเนื่องสติถ้าเราเจริญอย่างต่อเนื่องมันจะมีกําลังมากถ้าเรามามีมีเวลาเจริญสติน้อยพอเวลามานั่งมันก็จะเข้าไปไม่ลึกนั้นอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่การเจริญสติว่าได้มากได้น้อยก่อน ถ้าเราไปอยู่คนเดียวปีกวิเวกแล้วเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาที่เรามานั่งเนี่ยมันก็จะมีกําลังมากแต่ถ้าเราต้องไปทํางานทําการไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ใจของเราก็จะลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่มีกําลังที่จะดันใจให้ดันใจให้เข้าไปลึก ยันสรุปก็คือว่าสติมีกําลังเท่านั้นอ่ะเหมือนเหมือนขาบรถขึ้นเขาอ่ะรถของเรามีกําลังขึ้นได้ไปแค่ครึ่งเขาก็หมดกําลังแล้วต้องเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรุ่นใหม่ก็ต้องสะสมไปเรื่อยใช่ไหมต้องเจริญสติต้องพยายามเจริญสติเพราะว่าอย่างอย่งละจากทางโลกไม่ได้ยังก็ยังทํางานได้ก็ลองหาเวลาเวลาวันหยุดที่ว่าไปลองไปอยู่ปีกวิเวกอยู่สักคนเดียวสักวันสองวันอยู่จะเห็นผลแตกที่แตกต่างกันครับ ขอพูดคุนครับมีมีนนั้นข อ, อส่งคําถามนะคะคําถามและเกี่ยวกับการปฏิบะะัติค่ะคือเวลาปฏิบัติอะคะ่ะส่วนตัวคือจะกําหนดลมหายใจพอพอจิตเรานิ่งแล้วอะคะ่ะเราก็จะสักพักมันก็จะมีเสียงคําสอนเข้ามาแล้วก็บางทีจิตเราก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ที่เหมือนเป็นปัญหาเรื่องงานแล้วก็เหมือนกับการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ๆก็ช่วยให้สามารถคิด แก้ไขปัญหานี้ออกได้อะคะ่ะเลยอยากทราบว่ากาันการการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันมันเรียกว่าเป็นฟุ้งไปคิดเรื่องงานแล้วทําให้แก้ไขปัญหาได้ไหมหรือว่ามันเป็นการที่ปฏิบัติแล้วจิตแล้วนิ่งเลยทําให้เราสามารถแก้ปัญหาอันนั้นออกเนะะี่ยค่ะซึ่ง <Okay. S 1> ทาแบบนี้ถูกเราหรือเปล่าหรือว่าจริงจริแล้วการปฏิบัติคือควรจะอยู่ที่กําหนดลมหายใจแล้วไม่ควรคิดอะไรเลยนะคะคือมันเป็นได้ทั้งสงลักษณะคือถ้าเรา ปฏิบัติทำใจให้สงบแล้วมันนิ่งถ้าเราพยายามรักษาให้มันนิ่งให้นานที่สุดได้เทลายได้ก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นการสร้างพลังให้กับใจแต่ถ้าเราพอสงบแล้วมันไปคิดเราไปคิดแก้เรื่องปัญหาได้มันก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันมันมันไม่ได้สร้างพลังฐานของจิตให้ให้แน่นหนามั่นคงแต่มันก็เวลาจิตสงบนี่เวลามันคิดแก้ปัญหามันจะคิดแก้ด้วยเหตุด้วยผล ต่างกับเวลาไม่สงบเวลาไม่สงบนี้มันจะแก้ด้วยอารมณ์แก้อารมณ์แล้วมักจะแก้ไม่ได้แล้ววิธีการนั่งที่มันมีเวลาที่จํากัดแน่นอนไหมคะโอเคจิตควรจะนิ่งอยู่ที่นี่ประมาณประมาณชั่วโมงนึงหรือหรื อ, อบบทีนาทีเรี่ยคนทำตัวนี้ให้มันนิ่งได้ทั้งวันไนดะ้ยิ่งดี นิ่งในทั้งวันนี่ทนี่หมายถึงว่าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเห็นลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอะไรแบบนี้ป่ะคะก็มีนิ่ง2แบบนิ่งแบบรวมเวลานั่งจิตรวมปล่อยวางทุกอย่างเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วพอออกมาก็มีอุเบกขาเป็นเป็นผู้กํากับใจคือเห็นอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยหรือว่าถ้ามีอารมณ์ก็ไม่รุแนแรงเหมือนเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมีความนิ่งอย่างต่อเนื่องเพราะพอมันไม่นิ่งก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ไปเพิ่มพลังใหม่ไปพยายามให้มันเข้าออกอย่างนี้พอออกมาแล้วพอมันมีอุเบกขาอยู่ก็อยู่ไปแต่พออุเบกขารู้สึกว่าหมดกำลังก็กลับเข้าไปใหม่แล้วถ้าจะให้มีประโยชน์เวลาออกมาจากจากสมาธิก็ให้พิจารณาทางปัญญา ถ้าจะคิดให้คิดไปในทางตายรักคิดเรีนคิดถึงร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟมีอาการ32ดูท่องดูพิจารณาดูอาการต่างๆของร่างกายเพื่อจะได้ทำลายอัตตาตัวตนาร่างกายนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นเพียงแต่อาการต่างๆมารวมกัน ก็เป็นความคิดระหว่างที่เรานั่งนั่งภาวนาปฏิบัติอยู่นั่ง<ด>ก็ได้เดินก็ได้หมายถึงเวลาที่ออกจากความสงบแล้วแต่เวลาที่สงบไม่ควรคิดเวลาที่สงบนี่ควรให้มันสงบให้นานที่สุดเหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้ตื่นขึ้นมาทํางานปล่อยให้เขาหลับให้พอพอก็อิ่มแล้วเขาก็จะตื่นพอตื่นแล้วถึงค่อยไปสั่งให้เขาไปทํางานอย่าปล่อยให้เขาไปเล่นใจของเราก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบแล้วมันจะคิด เราอย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางกิเลสดึงมันมาคิดในทางปัญญาทางธรรมเสียดึงมาเรื่อยๆต่อไปมันจะได้เป็นนิสัยต่อไปมันจะได้เวลาเห็นอะไรมันก็จะคิดไปเป็นธรรมทันทีเห็นว่าเป็นอนิจจังทันทีเห็นว่าเป็นทุกข์ทันทีเห็นว่าเป็นอนัตตาทันทีแต่ถ้าเราไม่สอนให้มันคิดมันก็จะคิดว่าเป็นสุขเป็นของเราจะอยู่กับเราเป็นนานเราต้องการมาเปลี่ยนความคิดของเรา พ อ, อจากสมาธิมาแล้วต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนเราจะคิดไปในทางกิเลสอันนี้เป็นสุขอันนี้เป็นเป็นของเราอันนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆทีนเราเรามาคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นทุกข์มันไม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของเราทําเตือนใจสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ดับตันหาความอยากต่างๆ คำถามที่สองค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเร า, เ, าเราถวายผาแทนกายแทนคุณพ่อหรือตรงพ่อไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่เราทําให้อย่างเงี้ยค่ะถือว่าคุณพ่อจะได้รับเลยค่ะต้องเป็นของคุณพ่อเองแล้วคุณพ่อต้องเป็นคนสั่งเองถึงจะได้ใช่คุณพ่อฝากเงินมาหรือฝากฝากเงินมาอคุณพ่อจะถือว่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําเอาเงินของเราแล้วพ่อไม่รู้เรื่องเลย เราทาเสร็จแล้วก็กลับไปบอกพ่อวันนี้ทำบุญให้พ่อพ่อก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้ถ้าจะได้ก็ได้ที่อนุโมทนาว่าเออขออนุโมทนาด้วยก็ยินดียินดีกับการทำบุญของเราอาจารย์ครับผมเป็นคนที่เวลานั่งสมาธิชอบเปิดเออเทศฟังอะคะ่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยเราในในคำถามก็คือว่าเราควรจะมีการสลับกันไหมครับในการที่จะนั่งนิ่ ง, งหรือว่า กับการที่เราเปิดเทศสตฟังอะครับการที่เราฟังเทศสตก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังที่จะนั่งสมาธิได้ด้วยตัวเองครับเราก็อาศัยการฟังเทศสตไปก่อนครับพอจิตสงบแล้วถ้ายังถ้ายั ง, ย, งยังเจริญสติได้ต่อเช่นเราก็ลองนั่งดูลมต่อไปครับเพราะเวลานั่งฟังเทศสตมันคงจะไม่รวมครับมันได้อย่างมากก็เกิดสงบเย็นไม่ฟุ้งซ่าน พอมันไม่มันไม่ฟุ้งซ่านมันเย็นเราลองกําหนดดูลมหายใจต่อไปครับปิดเทศสะปิดไม่ต้องใช้เทศใช้ใช้ลมหายใจแทนหัดนั่งแบบที่ไม่ต้องใช้ใช้ใช้การฟังเทศครับเพราะต่อไปเราต้องการที่จะนั่งโดยที่ไม่ต้องจ ะ, จะต้องอาศัยการฟังเทเสะใช้ใช้การดูลมหายใจแทนหรือว่าใช้การบริกรรมพุโทโธแทนไปครับ แต่เบื้องต้นถ้าเราพอเราเริ่มนั่งแล้วเราดูลมก็นั่งดูดไม่ได้เพราะใจคิดนู่นคิดนี่เราก็ใช้การฟังเทศไปก่อนฟังเทศจะช่วยดึงใจไว้ก่อนดึงไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจสงบไม่คิดแล้วเราก็ดูลมต่อไปแล้วต่อไปเราเวลานั่งไม่ต้องฟังเทศก็ได้อยู่ที่ไหนเราก็ได้ไม่ต้องเอาเครื่องติดตัวไปด้วยอยู่ตรงไหนเราก็นั่งดูลมหายใจได้เลย หรือโปรตีนพุทโธได้เลยแต่จะทำได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่การเจริญสติก่อนที่เรามานั่งเราควรเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั่นแต่ตื่นจนหลับถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้การฟังเทศก็ได้บอกเราเลยพระอาจารย์ครับมีอีกข้อนึงสำหรับผู้ปฏิบัตินะครับมีฝากถา ม, มานะครับถ้าหากว่า นั่งสมาธิก็ฟุง้งเดินจงกรมก็ฟุ้งเนี่ยควรจะไปทางไหนครับอาจารย์ก็ที่ฟุ้งก็เพราะว่าไม่มีสติก็ต้องกลับมาที่สติกลับมาที่การเจริญสติอย่าปล่อยใจให้ฟุง้งหาอุบายอันาใดอย่างที่เมื่อกี้เทศที่พูดเี่ถ้าพูดตัวเองไม่ได้ก็ลองเปิดเทศทฟังไปก็ได้เดินจงกรมสมัยนี้ก็เอาเอาซ า, าวบา ใส่หูเดินไปก็ได้เดินไปก็ฟังเทศไปก็ได้อย่างนี้ก็จะช่วยได้หรือไม่เช่นนั้นก็ลองสวดมนต์ไปก็ได้หรือท่องพระสูตรไปก็ได้คือให้ใจมีอะไรทำอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะคิดแล้วมันก็จะฟุง้งนั้นต้องพยายามเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งให้ได้ก่อนแบบยากแบบง่ายแบบง่ายก็คือสวดมนต์ฟังเทศสวดพระสูตรต่าง แบบยากหน่อยก็บริกรรมพุทโธหรือท่านเดินจงกรมก็ดูดูการเคลื่อนไหวของเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะใช้พุทโธกากับกับการเดินก็ได้พุทโธซ้ายพุทโธขวาไปอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะมีกำลังทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นไปก่อนแล้วต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นถ้ามีมากๆแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยเพียงแต่ดูเฉยๆก็ได้ถ้ามัน มันมีสติมากมันจะไม่ฟุง้งมันจะไม่คิดอะไรมันก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมันก็จะดูการกระทําของตนเองตลอดเวลาเราจะเวลามันคิดก็สั่งให้มันหยุดได้พอมีสติรั่วกําลังคิดปับ๊บก็พอรู้ปับ๊บมันก็หยุดได้นี่คือเวลาสตินี้กําลังมากมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พยายามเจริญสติเราอยู่ในระดับไหนเราก็ทําในระดับนั้นของเราไป วิธีทไหนที่ทำให้เรามีสติได้แล้วก็ใช้วิธีนั้นไปก่อนหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ยง mm hmm. นั้นก็ขอยุติการสนทนากันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง mm hmm. ในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ